ต่อไปนี่เธอทางสารจงตั้งใจก่กนอนเธอได้น้อมทราบกาเสบพักนำมาถบายเพื่อขอบันประชาในพระพุทธศาสนาพวกเธอตั้งสารจงรูปรตธาราชนาะ ความเลื่อใสายในคุณรพระพุทธพระธรรมผระสง์เป็นอย่างดีเพราะว่าบุคคลที่จะได้มากเกิดเป็นมนุษย์นี้พระทันตัดว่าเป็นของยากและมาเป็นของลำบากด้วยสัตว์ทุกชนิดหลายประเภท จะมีสัตว์คือมนุษย์นี้เป็นสัตว์ทีอ่องค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสว่าเป็นพัพปสัตกัจรุธรรมไนดะ้พวกเราหรือท่านทั้งสามนี้ต่อนัดอยู่ในจำพวกพัพปสัตปนกัจรุธรรมแค่นั้นจริงว่า จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะได้มีความเชื่อในพระพุทธ ศ, ศาสนานี่ก็เป็นของอยากเพราะว่าบางทีก็เกิดมาในตระ ก, กูลเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิด เช่นนั้นไอ้พวกเราทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาบรรพชาในปรากฏศาสชนะประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้จะมีชีวิตอยู่ มาถึงวันการบรรพชาเช่นนี้ก็หายากเพราะว่าการเกิดมามีชีวิตอยู่นั้นประสบอันต ร, รายหลายอย่างได้ประการบางที่พบเธอทั้งหลายได้ผ่านมาตั้งแต่ยังเด็กเป็นหนุ่มจนบัดนี้ ่านอันตรายมาหลายอย่างหลายประการด้วยกันพบเธอทั้งหลายได้เอาชีวิตพ้นตลอดมาถึงบัดนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นผู้ะรั้นขอพบเธอทั้งสามจงตั้งอกตั้งใจนิรูปศรัทธาราศาารัทธาวาเลงใส ในประพุทประตํามระสงค์ให้มั่นให้ดีเมื่อกราวดูย่อดระพบทธพระธรมประสงค์สามประการนี้เมื่อกราวถึงเป็นรูปก็คือได้แก่สีาธาตราชกุุ ม, มารซึ่งเป็น พูกมีบุญวาสนาบารมีมากเป็นพระราชาม่มีศรัทธาบวชในพุทธศาสนาได้กระรู้ธรรมะจนเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้สาสมเด็นพระธรรม ก็คือข้อกฎอันหนึ่งซึ่งทำให้บุดคนมีกายวาจาจิตใจบริสุทธิ์ได้ประอก็คือลักษณะที่ไหวประพฤต ปฏิบัติกายวาจาใจพร้อมไปด้วยเดียวกอกการปฏิบัติเดี่ยวกับผส์ทั้งสามประการนี้เมื่อเรารวมเป็นปรมปรภพก็คือความรู้สึกที่บริสุทธิ์เช่นผู้รู้คือจิตใจของเราเองการทำ ก็คืออาการที่ชอบยิ่งทาจิตใจของพวกมนุษย์ทั้งหลายเหตุสงไว้ซึ่งต่อบริสุทธิ์ต้ น, นั่นเรียกว่าประทรรับโดยย่อพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติไปตามธรรมะคำคสอนของท่าน จนในกัตถรูปธรรมะคาสังสอนของท่านโดยชอบเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติอุจุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติพั่วทุกจากทุกสารมิจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิืม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 จิมกับการตั้งอกตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาให้ดียิง่งที่รกว่าการบรรพชาการบรรพชาหรือการบวชเป็นสามเณร น, นี้การบรรพชาแปลว่าการในเบียดเบียนซึ่งกันเด็กกัน เมื่อเราบวชมาแล้วในพุทธศาสนาแล้วไม่เบียดเบียนซึ่งกันแลกันด้วยกายด้วยวันชาหรือใจเกี่ยวกับการบรรปชาฉะนั้นจงเธอทั้งสามจงกินาให้เห็นอานิสงส์ของการบรรปชาที่พวกเราทั้งหลายนั้นเข้ามาบรรปชาในพุทธศาสนาการบรรปชา เมื่อกล่าวโดยพิจดาลมันก็มากปั่นนานไม่จบไอ้คุณงามความดีซึ่งเกิดจากการประพฤติปฏิบัตินั้นอณิสมของการบวชนั้นคือเมื่อเราเป็นฆราวาสอยู่ฆราวาสวิสัยนั้นเป็น่า เป็นที่คับแคบเป็นทางมาแห่งธุรีทั้งหลายเป้งทางมาแห่งธุรีคือกิเีทั้งหลายเมื่อยิยนทางพระาดทางคับแคบบรรบาทกายวุ่นวายจยิตใจวุ่นวายทุกสิ่งสา ร, รพัดวุ่นวายมีแต่ทุกข์ทั้งนั้น เพราะการเลี้ยงชีพของคารวาห์เมื่อเรามาบรรพชานราพุทธศาสนาแล้วการเลี้ยงชีพของเราเนื่องโดยคนอื่นอีวรบินทบาทเสนาสนะเพษัตเนื่อง้วยคนอื่นครับฉะนั้นเราจึงเป็นผู้สันโหลดมักน้อยไม่มากมาก ไม่เอาอะไรแล้วปล่อยไม่ถือมั่นยึดมั่นอะไรเช่นผมเราก็โกนที่จะแล้วเล็เราประปัดจะแล้วเราไม่ต่อสู้กับใครอืเราไม่สู้กับใครไม่ยึดช้าใครไม่พยายามไรเรียกว่าเราเอาชนะตัวเราเอง เราเป็นคารวาจอยู่เราเอาชนะคนอื่นเมื่อมาวันประชาในพระพุทธศาสนาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นสอนว่าเอาชนะตัวเองอืไม่ต้องเอาชนะใครอืทิ้งอาวุธนะใหอยู่ในความสงบนะครับเช่ น, นการอิทธิ์งของการวันประชาหรือการเป็นนักบวชนี้ จะเดินไปที่ไหนก็สบายจะนั่งที่ไหนก็สบายถ้เาเราไม่มีการอิจฉาพยาบาท ก, กับใครแล้วฉะนั้นการบรรพชานี้จึงมีอ น, นิสงส์มากอืมฉะนั้นเธอทั้งสามเมื่อมาถึงการบรรพชานในวันนี้ก่อ น, นวัดเป็นบุญอันเดิม Under, อันประเสริฐของตกระเทอทั้งหลายเพราะว่าบ้านของตกระเทอทั้งหลายเนี่ยก็อยู่มันนอก ไม่แตอยู่เมืองไทยและอุษาที่ผ่านประเทศมาถึงเมืองไทยได้มาขอบวชหรือขอบรรพชาในปุมาศาชนะซึ่งถือเอาตัวฉันนี่เองเป็นพระอุปชา อ, อันนี้ก็เป็นของยากเป็นของลำบากฉะนั้นพวกเธอทั้งสามนี่จึเงเรียกว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีผู้สนนเกิน ฉะนั้นเมื่อบวชมาแล้วในพุทธศาสนานี้องค์สมเด็จพระจมภาสัมพุทธเจ้าของพราถนศาัศึกษาศึกษาสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้สิ่งที่ควรรู้โดยย่อโบราณาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนมาให้แกอุญาบุตรผู้ที่บันปชานั้นเรียกว่า กรรมฐานกรรมฐานนั้นเรียกว่าโมระกรรมฐานหรือตาจัตันจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นทีห้าเรียกว่าโมระกรรมฐานเรียกว่าเป็นรากหรือเป็นมรของการประพฤติปฏิบัติอันนี้พระโบราณอาจารย์ท่านสอนห่ักย่อย คือเกสาโลมานกขาตันตาตาโจน้ห้าประการท่า น, านี้เป็นหลักอันสำคัญที่สุดในหลักพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะเรียนปีกย่อยไปในหลายอย่างนะก็มไม่ใช่ทางที่จะพ้นจากวตาสงสารฉะนั้นทางที่จะให้ ข้อนจากประากาสงสารนี้ซึ่งเป็นมูลหรือเป็นรากนีเดียวกว่กรรมฐ า, านชณะนั้นเธอทั้งสามจึงตั้งใจศึกษ า, เ ร, าเรียนซึ่งกรรมฐ า, านทั้งห้ากระการโดยเป็นภาษามาพดมาพดภาษาอาจเป็นภาษาไทยแบบเจสาโลมานาหาทันตาอ่าโจอ่าภาษามาพด ภาษาภาษาไทยเยรียกว่าผมขนเล็บวันนะั้นภาษามาคบเรวยว่าเกศาโลมาณขาทันตาตาโจเป็นต้น อ, อันนี้โกวมีนในวัรถุอันเดียวกันฉะนั้นต่อไป น, นี้เธอทั้งสามจงตั้งเรียนกรรมฐานเถิดภาษา ม, มาโครจงว่าไปตามเกศา อิสัตโลมันันาคานาคาหันตาหันตาตะจูตะจูตะจูตะจันตาันตนา ทั้งห้าประการนี้นะมีอยู่ในตัวของเราแล้วผมก็อยู่บนชี้ะของเรานี้ผมก็อยู่ตามสภาขะงร่างกายของเรานี้มเล็บเล็บมือเล็บเท้าก็มีอยู่แล้วพบบไปด้วยวัน ที่เป็นสิ่งที่สำรับบดอาหารเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วตากล้นง้ำต้มห่ อ, หอทั้งหมดนี่มีเลยคือของอยู่อยู่แล้วแปลว่าคนไทยก็าตามคนฝลังก็าตามคนยวนกว็าตามใครๆก็าตา ม, ม น, น, นั้นเป็นไงผู้อันนี้นามอันนี้ไม่ใช่ไทยไม่ใช่ฝลังไม่ใช่คนยวนไม่ใช่ใครๆทั้งหมด เรียกว่ารูกดุจนาเท่นั้นเมือนกันเนี่ยมิเช่นที่โทรมาบวชนี้ก็ให้ทําให้มันเมือนกันเป็นลูกจิตของพระพุทธเจ้าของเราเมื่อกันไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มียวนไม่มีจีนไม่มอะไรเป็นพระในพระพุทธศาสนาเมือนกันทั้งหมดอืม่ยแคนั้นจึงมีผงมีผลมีเล็บมีฟันมีหนังเมือนปันเท่นั้น ชิงทั้งห้าประการ น, นี้ซึ่งไม่ยกเป็นธรรมฐานนั้นเพราะว่าคนเราไม่เคยจะพิจนารณากันผมนี้เราพอใจว่าสวยามาตามท ต, ตามธรรมดามันได้ผมนี้ไม่ได้สวยเป็นของเหมินสาบเป็นของไม่สะอาดอเป็นของไม่ยังยืนอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้ว ขนกุมนันตันแล็กกุมือนตันฟันฟันกุมนันตันอืมเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยนี่เป็นของไม่เจริญห้าวรแต่เราเข้าใจผิดไปใช่ไว่ามันว่ามันดีว่ามันเลิศว่ามันประเสริฐเล็กนี้กุมือนตันเป็นของไม่สุดไม่สวยเป็นของไม่เบียร์กโโก แต่เราคิดว่าเป็นของดีเป็นของือดเป็นของประเสริฐหนังที่มันพุ้มอยู่ตามสภังร่างกายของเราแบบนี้ก็ดีตามความจริงแล้วนี้เป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เป็นแก่นเป็นสารเป็นของของไม่ยืนยืนถาวรแต่เราเข้าใจผิดว่าหนังนี่เป็นของงามเป็นของสะอาด นี่เราคิดผิดนนทีนี้ทีนี้พระพุทธเจ้ากเจริญพิจนาเตสาโลมานะพารตนตาตาโจให้เป็นไปตามสภาภวความจริงแท้เม่าเราตั้งใจเอากรรมฐานตัญหาประการ น, นี้ไปเป็นอารมณ์เบพิจณาแล้วการาฉันทะและพยาบาทอะไรต่างๆแบบเหล่านี้ซึ่งเป็นมีวร ม, มันจะไม่มากวนเราเราจะเรียนหนังสือต่อสบายเราจะทำกรรมาฐานต่อหอืมถ้าเราเห็นว่เาเห็นสิ่งทั้งหลายเรานี่เป็นอนิจจ์เป็นทุกขังเป็นนาตาแล้วเราก็จะยืนก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขทำกรรมาฐาน น, น, นี้นี่เท่นั้นเธอทั้งสามจิงตั้งอกตั้งใจนำไปประพฤติปฏิบัติ ถ้าเราไม่รู้ก็เรีอนถามครูบาอาจารย์เช่นท่านสุเมโตหรือปภากรูซึ่งเป็นอาจารย์นี้ก็เป็นาภาษาอันยวกันพกเธอทั้งหลายก็จะรู้แก้ชัดในประวติฐานทั้งหลายเหล่านี้ต่อไปอมีฉะนั้นต่อไปนี้ จเลยมอกผ้ากาซาวาคืนให้เธอท่านสามในทางพุทธศาสนาเนี่ยอุปชาอาจารย์ก็เป็นพ่อแม่ของเรานะั่นเองบวชมาแล้วท่านให้อยู่กับอุปชา หนึ่งสองสามสี่ห้าพันสานี่เป็นปกติเวยเพื่อจะอุปชาจะชี้แนวทางใได้หลายอย่างหรยอมิฉะนั้นก็ให้อุปชาแนะนำให้ไปอยู่กับอาจารย์ อ, องค์ใดองค์หนึ่ง ซึ่งจะมีความรู้ในการแนะนำคําสอนใหเราปฏิบัติให้ถูกตามเช่นพระสุมโทโธเป็นต้นทุกวันนี้มาอย่างนั้นเลยบวชแล้วรีบไปเนี่ยบวชแล้วรีบไปเนี่ยที่นี่คณะวัดประโภคเราไม่เอาอย่างนั้นเลยถ้ามาจากเมืองนอกก็ตาม ท่านอยู่ในเมืองไทยก็ตามบวชมาแล้วกระจบฝึกต้องฝึกอยู่ใกล้จิตตูบาอาจารย์รู้จักตูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์มันเปนกับพ่อแม่ของเราเราอยู่ใกล้ชิดท่านเราเป็นสัจจริงมิหายิปไรอุปชาอชสัจจริงมิหาริป ก็ปฏิบัติครูบาอาจารย์เหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่ก็รักอุปชาอาจารย์ก็รักลูกศิษย์สันติมิหาริอันเทวสศิษย์เหมือนกันกับพ่อแม่รักบุตรยานั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ให้อุปชาเป็นแนวทางและอาจารย์จะเป็นแนวทาง การปฏิบัติโดยตรงของกเราทั้งหลายนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาศีล น, นั้นก็คือจริยามารยาที่เรียบร้อยสมาธิก็คือทำจิตของเราให้เย็นบายปัญญาก็คือรษนะที่ทำความรู้สึกของเรา ให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วจิตใจะกะสว่างสวายเยืกเย็นทั้งสามประการนี้คือกายได้ว่าจะใจนั่นเีงแค่นั้นจงดำเนินการประทุตปฏิบัติอย่าเป็นคนเกลียดท่านอย่าเป็นคนมดหน่า ย, ยาเป็นคนอดทน มันจะร้อนกอดทนมันจะเย็นก็อดทนมันจะลำ บ, บากอะไรกอดทนการอดทนนี่แหละเป็นแม่บทของการปฏิบัติเป็นเมืองแรกฉะนั้นวันนี้ถูกวันประชามาแล้วตระกันตังค์ตังใจต่อไปนี้ก็ให้อยู่ตัวประชารักทักกันก่นเกดไดประชาก็จะเดนินไปวินทบาทกับท่าน หมผ้าไม่ดีท่านก็จะได้บอกอะไรไม่ดีท่านก็จะบอกอะไรนม่ไม่เดือดร้อนท่านก็จะบอกเตือนทุกอย่างพอสมควรแล้วจิง <c oughs> ท่านสั่งไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปอันนี้ให้ประกันตังโตกัตงใจให้ดีจะไม่โทรจะกลับวัดก่อนนึเนี่กลับก่อนนึกลับก่อ น, นก็ไดให้ลู้ชิดเพื่อที่นี่ก่อน เนอะที <He? S 2> mm hmm. มวันนี้แหละมีก่อนื mm hmm. ่ต้องหาปติให้อยู่เพราะว่าตอนมีม hmm. ีต่อไปก็เป็นมาค้าบูชาอยู่เพราะจะทำกิจอะไรตัวอรหลายอย่าง